ตอนที่148ถูกจับคู่ให้กันท่านผู้เทายวนพยักหน้านึบหึบราวกับถูกคูหญินเทายวนเคลือกกล่อมจนคล้อยตามจริงด้วยยายแก่เจ้าช่างฉลาดจริงๆทำไมข้าถึงคิดไม่ได้นะเด็ก2คนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเสียหน่อยแน่นอนว่าย่อมกลายเป็นครอบครัวเดียวกันได้หากวันหน้าเสียหวันมาเป็นหลานสะพ้ยบ้านเราสุขภาพของพวกเราสองคนก็คงได้รับการดูแลอย่างดีแค่ๆไม่ใช่ครับท่านพ่อท่านแม่พวกท่านคิดไปถึงไหนกัน สองคนนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับอีกอย่างสมัยนี้มันยุคไหนแล้วต่อให้พวกเรามีความคิดแบบนี้แต่เด็กๆ ก, ก็อาจจะไม่เต็มใจด้วยหยวนเฟยรีบขัดจังหวะความคิดของพวกเขาเรื่องนี้มันเริ่มจะออกทะเลไปไกลแล้วทําไมจะไม่ได้ละ่ะสองคนนั้นไม่ใช่พี่น้องแท้ๆเสียหน่อยนี่เขาเรียกว่าชิงเหมยจูมาหูหิงเท่าหยวนถลึงตาใสาลูกชายคนโตเจ้าย่ามาทําเป็นหัวโบราณหน่อยเลยถ้าเด็กสองคนเขามีใจให้กันใครหน้าไหนมาขวางข้าจะโกรธคนนั้นจริงๆด้วยรักครั้งแรกในวัยเด็กใช่แล้ว ท่านผู้ทวยหยวนเห็นพ้องกับสิ่งที่ภรรยาพูดเรื่องนี้ต้องจัดการแบบนี้แหละจากนั้นพอพวกเขาแต่งงานกันก็ช่วยกันสืบทอดทายาทให้บ้านเราเยอะๆมีลูกที่ฉเฉลียวฉลาดและยอดเยี่ยมมาช่วยปรับปรุงพันธุกรรมของตระกูลเราข้าเชื่อ ว, ว่าไม่ช้าก็เร็วธุรกิจของตระกูลเราจะต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศแน่ๆหยวนเฟยไม่มีโอกาสแม้แต่จะแทรกคำพูดเขาได้แต่ทำหน้าพูดไม่ออกไม่ใช่ครับตอนแรกพวกท่านสองคนยังบอกอยู่เลยไม่ใช่หรือว่าต้องหาคนที่ฐานะคู่ควรกันเหมือนตังหู่ตุย้ย ให้ลูกหลานนะ่ะทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนไปแล้วล่ะพวกที่ฐานะคู่ควรกันก็ใช่ว่าจะฉลาดเสมอไปเรื่องเงินทองนั่นะเป็นเรื่องรองสิ่งสําคัญคือหลานสะพยต้องฉลาดท่านพูดเทาหยวนกล่าวอย่างจริงจังและหนักแน่นเอาเป็นว่าเรื่องการแต่งงานของเด็กคนนี้พวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหยวนเซ้าเหิงเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองในเรื่องการแต่งงานต่อให้พวกเขามาตัดสินใจกันตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนว่าคนที่ลูกชายจะตาถึงเลือกมานนั้นย่อมต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ทว่าในโลกนี้คนที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ได้มีแค่หลี่หวันเทียงคนเดียวที่ครับบ้านที่พี่อยู่นี่ใหญ่จริงๆผมรู้สึกว่าเดินข้างในแล้วจะหลงทางเอาได้เลยนะเนี่ยจึงเศ้าซิงเกาะติดหยวนเศร้าเหิงไม่ปล่อยรบเร้าจะให้เขาพาเดินดูรอบบ้านให้ได้แถมสวนหลังบ้านก็ยังกว้างมากด้วยตอนกลางคืนเจ้ากลัวความมืดไม่ใช่หรืออยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เจ้าไม่กลัวหรือไงหยวนเศร้าเหิงปลายตามองออกว่าตอนนี้อีกฝ่ายกําลังอารมณ์ดีไม่น้อยหยวนเสี่ยวเห็นเ บ, บ้ปากโตขนาดนี้แล้วยังกลัวความมือดอีกเหรอ ขี้ขาดจริงๆเ จ, งจิงเซาสิงเถียงกลับโตแล้วกลัวความมืดมันผิดตรงไหนกลัวก็คือกลัวสิข้าไม่กลัวนะเจิงเซาหยางพรงขึ้นมาทันทีหยวนเสี่ยวเห็นมองเขาแวบหนึ่งอย่างเซงเซงเจิงเซาหยางเขาพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะช่วงเวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็นขณะที่ฟ้า ย, ยังสว่างหลี่หวานและพี่น้องทั้งสามคนก็นั่งรถกลับไปหยวนเฟยยังจัดของขวัญปีใหม่ให้พวกเขามากมายจนเต็มกระโปรงหลังรถ ตอนจะไปเขายังกำชับซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าถ้ามีเวลาว่างต้องมาเที่ยวบ่อยๆนะเมื่อกลับถึงบ้านเจ้าชุนหัวซักถามเด็กๆอย่างละเอียดนางนึกว่าไปครั้งนี้เด็กๆจะโดนปั้นปึงใส่เสียอีกเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพวกนางกับประกูลหยวนนั้นไม่ค่อยดีนักแต่ผลลับกลับเนื้อความคาดหมายไปบ้างลีชิงผิงยิ้มออกมาท่านม่ข่า ว, ว่าเรื่องนี้ท่านคิดมาไปเองแล้วล่ะคะ่ะ ไม่ว่าอย่างไรเศ้าเหิงก็เติบโตมาในบ้านหลังนั้นพวกเขาคงไม่ทําอะไรให้เด็กๆลําบากใจเกินไปหรอกอีกอย่างพวกเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วการรังแกเด็กมันดูไม่งามตอนแรกบรรยากาศในห้องก็ดูไม่ค่อยดีจริงๆครับแต่ละคนพูดจะฟังดูขัดหูอยู่บ้างแต่ว่าหลังจากนั้นเจงเศรอย่างเล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังพอเจ้าชุนหววได้ยินก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเอะข้าไม่ได้คิดมากไปหรอกพวกเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละตอนแรกข้ายังไม่คิดจะให้เด็กๆไปสวัสดีปีใหม่เลยด้วยซ้ําที่ยอมก็พระเป็นห่งเศ้าเหิง เจ้าชุนหวาแค่นเสียงเย็นอยากจะให้เจ้าเฮงตัดขาดกับพวกเราใจจะขาดละสิข้าว่าหลังจากนี้พวกเขาคงไม่กล้าพูดเรื่องนี้อีกแล้วหลีชิงพิงเหลือบมองเจ้งอวินฉงฝ่ายชายไม่ได้พูดอะไรคุณแย้คนีคืออ่งเปาที่หนูได้รับมาวันนี้ค่ะกระเป๋าทั้งสองข้างของหลีหวันอัดแน่นไปด้วยซองแดงและของนางก็ดูจะเยอะที่สุดด้วยส่วนสองซองนี้เป็นของเสียอู ก, กับเสี่ยวลู่ค่ะหลีหวันยื่นซองให้แม่หลีชิงผิงโบกมือลูกเก็บไว้เถอะ น้องชายสองคนยังเล็กอยู่ยังไม่รู้จักใช้เงินหรอกทำไมให้มาไม่เท่ากันละ่ะเจ้าชุนฮวาไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่รู้สึกว่ามันแปลกดีหลานสาวได้อ่างไปเยอะที่สุดส่วนหลานชายทั้งสี่คนได้เท่ากันหมดแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเงินแต่นางรู้สึกว่าตระกูลหยวนทําแบบนี้มันดูสะดุดตาเกินไปหน่อยในนั้นมีอ่างเปาซองหนึ่งที่ศาสตราจารย์เจียงให้หนูมาฆ่าลีชิงถิ่งอธิบายอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นแบบนั้นก็อธิบายได้แล้วว่าทําไมเจ้าชุนฮวาพยักหน้า ในเมื่อเขาให้เจ้ามาเจ้าว่าเก็บไว้ให้ดีเจ้าชุนหววรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างปรับใดที่พวกเขาไม่ทําให้หลานชายคนโตของนางลําบากใจก็พอตระกูลหยวนน่ะไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นภายนอกหรอกเบื้องหลังหน้าร้ายกาจจะตายไปไม่อย่างนั้นเมื่อก่อนบ้านพวกเขาคงไม่เกิดเรื่องขัดแย้งจนทําเด็กหายหรอกหลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ใครที่มีหน้าที่เรียนก็ไปเรียนใครที่มีหน้าที่ทํางานก็ไปทํางานหลีหวันกลับไปที่โรงเรียน ช่วงปีใหม่ตอนอยู่บ้านนางกินดีอยู่ดีความสูงเลยพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเวนโม่พอเห็นนางคำแรกที่ทักคือเจ้าสูงขึ้นนะหลีหวันเลิกคิ้วแน่นอนสิเห็นชัดเลยใช่ไหมละ่ะตอนนี้ข้าลองวัดดูแล้วความสูงสุดที่ของข้าอยู่ที่162เซนติเมตรแล้วนะยังขาดอีกนิดหน่อยจะถึงความสูงในฝันของข้าผู้หญิงสูงเท่านี้ก็พอแล้วนะหรือว่าเจ้าอยากจะสูงถึงหนึ่งร้อแปสิเลยละ่ะเวนโม่หัวเราะเบา สูงหนึ่ง้อแสิบเดี่ยวจะหาแฟนยากนาสิต่อให้หาได้ยิงคู่กันก็เหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันมากกว่าความคิดของข้าคืออยากสูงสักหนึ่งร้อยหสบห้าหรือไม่ก็หนึ่งร้อหสแปดพอใส่รองเท้าก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจสิบพอดีแล้วต้องหาแฟนที่สูงสักหนึ่งร้อยปสิบกว่ากว่าเวลาคนมองมาจะได้ดูสวยงามแถมยังเป็นการคิดเผื่อคนรุ่นหลังด้วยหลีหวานมีความคิดเป็นของตัวเองแน่นอนตอนนี้ข้าสูงหนึ่งร้อยแปดิบสองเหวินโม่พร่งออกมาทันทีอึมดีมากหลีหวานชมไปส่ ง, สง หวนโม่ไม่ได้ยินนางพูดอะไรต่อก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันทีหลี่หวันพิจารณาเขาข้าว่าเจ้าก็น่าจะสูงได้เท่านี้แหละคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วแต่สูงเท่านี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะอืมเหวนโม่พยักหน้ายอย่างเกรงเกรงสูงเท่านี้ก็ดีแล้วตราบใดที่สามารถบรรลุความต้องการของหลี่หวานได้นั่นหมายความว่าเขายังพอมีหวังใช่ไหมพวกเจ้าสองคนมายืนทําอะไรกันตรงนี้อากาศหนาวจะตายไปทําไมไม่เข้าห้องคนไม่รู้จะนึกว่าพวกเจ้าสองคนกําลังจีบกันอยู่เสียอี เสียงตรงไปตรงมาของศาสตราจารย์เจียงดังขึ้นวันโม่หน้าแดงก่ําขึ้นมาทันทีศา ส, ส, สตราจารย์เจียงเปล่านะครับพวกเราสองคนไม่ได้จีบกันเสียนหน่อยต่อให้จีบกันก็เป็นเรื่องปกตินี่นาวย่างพวกเจ้าน่ะเป็นช่วงที่หัวใจกําลังเบ่งบานความรู้สึกดีดเพิ่งจะเริ่มต้นหักรอให้เรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนค่อยเริ่มรักกันมันจะสายเกินไปนะศา ส, ส, สตราจารย์เจียงแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนถ้าพวกเจ้าสองคนลงเอ่ยกันได้จริงๆวันหน้าพอมีลูกออกมาลูกของพวกเจ้าก็คงจะซึมซับจนชอบการแท้แผนจีนไปเองนนั่หล ศา ส, สตราจารย์ขะตื่นเช้ามาก็ล้อพวกเราเล่นเลยเหรอไม่เห็นสนุกเลยสักนิด